เพื่อนสหธรรมิกและท่านสาธุชนทั้งหลาย <c oughs> การบรรยายไม่อาจจะทำไปในรูปของธรรมเทศนาแต่จะทำไปในรูปของการปราศัยตามที่จะทำได้ ดังที่เป็นที่ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าผรูบรรยายเนี่ยอยู่ในฐานะมีโรคไเวีดเวียนแต่จะไม่พูดไม่บรรยายกันเส้นเลยมันก็ไม่ถูกต้องดังนั้นก็ขอทำการบรรยายในรูปของการปราศัย เหมือนอย่างครั้งที่แล้วมาเมื่อตอนเช้าล้วก็ไม่มีอะไรอีกมีแต่การให้ของขวัญเมื่อตอนเช้านั้นให้ของขวัญคือเสรีภาพในการรับนับถือธรรมะเพื่อชีวิตแล้วก็ได้ บอกถึงเรื่องที่สำคัญนะคือเรื่องเพชรและเครื่องขุดเพชรอันมีอยู่ในพระไตรปิฎกในส่วนที่เป็นหัวใจเพชรนะั่นคือธรรมะที่เป็นเครื่องดับทุกข์โดยตรงขอย้ำอีกทีหนึ่งว่า ความรู้ว่าสิ่งทั้งพวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นความรู้ที่เป็นเพชฌและการปฏิบัติที่ปฏิบัติไปเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดนั่นแหละเป็นความรู้เป็นการปฏิบัติที่เป็นเพชฌที่นี้ก็ได้รับผลมาเป็นผลจากการปฏิบัติไม่ยึดมั่นถือมัน่นมันก็เป็นเพชฌในส่วนของ พ้นคือปฏิเวทขอให้ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ในการที่จะได้รับของขวัญดังที่กล่าวแล้วคือเสรีภาพในการรับถือธรรมะเพื่อชีวิตแล้วก็เพชรและเครื่องขุดเพชร คือหลักสิบประการที่เรียกว่ากาลามสูตรนี่ขอให้ได้รับเอาไปด้วยการจงทุกคน <c oughs> ในฐานะเป็นของขวัญ <c oughs> ที่นี่ก็มาถึงเรื่องของขวัญ กันที่สองครั้งที่สองเนี่ยก็จะเรียกชื่อของขวัญ น, นั่นว่าสวรรค์นในทุกอิริยาบทบางคนก็จะรู้สึกแปลกหรือชะงนหรือต ก, ตกใจก็มีสวรรค์นในทุกอิริยาบท นี่เป็นสิ่งที่มีได้และกําลังพยายามที่จะทําความเข้าใจให้มันเกิดมีขึ้นมาได้แล้วก็หายไปในฐานะเป็นของขวัญสิ่งที่สองขอให้ตั้งใจฟังให้ดีสวรรค์นในทุกอิทิยาบทมขอทําความเข้าใจแปรปลีกย่อย สักนิดหนึ่งก่อนว่ามีคนจํานวนหนึ่งกล่าวหาว่าอาตมานี่ยกเลิกสวรรค์ยกเลิกนรกว่าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกเดี๋ยวนี้ก็จงเป็นพยานกันทุกคนว่าตมากำลังพูดว่ามีสวรรค์ได้ทุกอิริยาบถ ท, ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องรอต่อตายแล้วสําหรับสวรรค์เดิมๆของท่านที่ว่าจะได้ต่อตายแล้วนั้น่ะก็ไม่ไปแต่ต้องไม่ต้องไปยกเลิกให้มันเหนื่อยให้มันเป็นสวรรค์นในความหวังกันไปเรื่อยๆเถิดแต่ถ้าสวรรค์ที่จะเป็นความจริงที่จะได้กันที่นี่และเดียวนี่แหละทุกริยาบทนั่นและต้องการจะให้ทราบต้องการจะให้ปฏิบัต และต้องการจะให้ได้รับจนเป็นผู้มีสวรรค์อยู่ในทุกอิริยาบถ ท, ทีนี้ข้อนี้ก็ฟังดูมันก็เป็นเรื่องใหญ่โตคล้ายกับว่าจะเหลือวิสัยบางคนจะนึกล่วงหน้าไว้แล้วว่ามันเหลือวิสัยไม่ไม่ไม่ฟังก็ได้ไม่สนใจก็ได้สวรรค์ในทุกอิริยาบถ แต่สมาขอยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่มีได้ไม่เหลือวิสัยและทำได้นี่ก็ขอให้สนใจฟังให้ดีๆเพราะเราไม่สนใจทำอะไรอย่างลึกซึ้งอย่างประณีตอย่างละเอียดเนี่ยมันจึงไม่ค่อยจะรู้ธรรมะในชั้นที่ลึกซึ้งละเอียดหรือประณีต แล้วมันยังหน้าหัวต่อไปอีกว่าสวรรค์นในทุกขยาบทนี้ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทองไม่ต้องเหน็ด ต, ต้องเหนื่อยอะไรให้มากไปกว่าที่มีอยู่ก่อนแล้วคือขอให้ทุกคนทาหน้าที่ของตนตามที่มีอยู่แล้วเป็นประจำวันในชีวิต แต่ขอเพิ่มอีกนิดเดียวว่าจงมีธรรมานุสติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นๆท่างให้ดีไม่ได้เพิ่มอะไรอะไรที่ทํากันอยู่แล้วทํากันอยู่แล้วคอยทําต่อไป <c oughs> ชาวนาทํานาชาวสวนทําสวนคนค้าขายก็ค้ากลายข้าราชการก็ทําราชการกรรมกรก็ทำคำคํากรรมกร ก็ต้องมคนขอทานก็นั่งขอทานไปตามเดิมทาตามที่เคยทำอยู่อย่างเดิมแต่ขอเพิ่มอีกนิดเดียวว่าขณะที่ทำนั้นจงมีธรรมนุสติสติลึกถึงธรรมะมันมีความลับอยู่ตรงที่คำว่าธรรมะมันไ ม, ไม่มีธรรมะจริงมันไม่รู้จักธรรมะจริงไม่อาจจะทาให้ธรรมะเกิดขึ้น มันได้แต่ปากว่าออกเสียงว่าธรรมะแต่ไม่ได้ทำให้ธรรมะอันแท้จริงเกิดขึ้นที่จะทำให้ธรรมะอันแท้จริงเกิดขึ้นนั่นหละมันจะต้องมีการทำความเข้าใจหรือปรับปรุงการกระทำกันสักหน่อยมันเป็นเรื่องละเอียดหรือเร่นลับคือความลับในข้อที่ว่าธรรมะนั่นคือหน้าที่ ธรรมะนั่นคือสิ่งที่เป็นหน้าที่สิ่งที่เป็นหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะเมื่อพูดอย่างนี้คนจำนวนหนึ่งนะก็บ้าแล้วทำการทำงานเป็นธรรมะนั่นะมันไม่รู้มันไม่รู้ความรับขอ้อนี้ว่าธรรมะนั่นแะคือการทำหน้าที่ก็เลยจะต้องพูดกันถึงเรื่องนี้นเป็นพิเศษ ว่าธรรมะธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งได้โดยแท้จริงนั่นคืออะไร <c oughs> ค้ายๆก็ได้ยินนะอยู่ทั่วไปแล้วว่าธรรมะคือสิ่งที่จะทรงผู้ปฏิบัติ <c oughs> ไม่ให้ตกลงไปในกองทุกข์หรือในความชั่วจะทรงผู้ปฏิบัติให้เลิศลอยอยู่ในความพ้นทุกข์ธรรมะนั่นจะสามารถทรงผู้ปฏิบัติธรรมะให้อยู่เนือความทุกข์เสมอไป ที่นี้จะปฏิบัติธรรมอย่างไรให้มันอยู่เนือความทุกข์ทุกิริยาบทดังนั้นมันก็ต้องสวมรอยลงไปที่สิ่งที่ทำอยู่ทุกิริยาบทนั่นเองทำอะไรอยู่ทุกิริยาบทก็คือทำหน้าที่การงานตามที่เหมาะสมหรือต้องทำกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วมีหน้าที่ โดยไม่ต้องออกชื่อก็คงจะรู้กันได้ว่าชาวนาก็ไถนาชาวสวนก็ทำสวนพอค้าก็ค้าขายนี่เป็นหน้าที่โดยตรงเรียกว่าหน้าที่ในอาชีพหน้าที่โดยความเป็นอาชีพทีนี้หน้าที่อีกส่วนหนึ่งก็คือหน้าที่ในการบริหารชีวิต หน้าที่ส่วนนี้เพื่อชีวิตรอดเราจะต้องหาอาหารจะต้องกินอาหารจะต้องบริหารร่างกายจะต้องทําอีกหลายๆอย่างเรียกเรียกรายละเอียดเลยเป็นหลายๆอย่างแต่ทั้งหมดนี้เพื่อบริหารชีวิตและร่างกาย <c oughs> นั่นเราจะต้องทําหน้าที่ทั้งสองอย่างนี้หน้าที่โดยตรงคือประกอบการเลี้ยงชีวิตและหน้าที่โดยอ้อมหรือโดยโดยตรงอย่างระดับน้อยคือว่า บริหารร่างกายผู้ที่ชัดกันลงไปเลยว่าหน้าที่กลุ่มน้อยคือหน้าที่บริหารร่างกายนั่นน่ะเราจะต้องกินอาหารเราจะต้องถ่ายประจาระเราจะต้องถ่ายประสาวะเราจะต้องอาบน้ำเราก็จะต้องนุ่งผ้าจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ให้พร้อมที่จะมีชีวิตอยู่สำหรับไปทำงาน ทีนี้เป็นหน้าที่โดยกรงก็คือหน้าที่ที่เป็นตัวการงานชาวนาก็ไปนาชาวสวนก็ไปสวนข้าราชการก็ไปออฟฟิศแม้แต่สุดแต่ว่าคนขอทานก็ต้องเป็นนั่งตรงที่สําหรับจะขอทานนี่เป็นหน้าที่เพื่อยังชีวิตประกอบการหาเลี้ยงชีพทั้งหมดนั่นก็เรียกว่าหน้าที่ที่หน้าที่ปลีกย่อยบริหาร ร่างกายอยู่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่ทั้งสองหน้าที่นี่แหละคือธรรมะคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่กับเนือเน้อกับตัวตลอดเวลา <c oughs> อย่างน้อยที่สุดถ้าคันขึ้นมามันก็ต้องเกานี่แม่ว่าาจะต้องเกาเมื่อคันขึ้นมามันก็เป็นหน้าที่ทุกๆหน้าที่มันเป็นธรรมะ ธรรมะปลายว น, นาที่หน้าที่คือธรรมะข้อนี้เป็นคำแปลกเป็นเรื่องแปลกสำหรับท่านทั้งหลายส่วนมากแต่โดยข้อเท็จริงแล้วมันคืออย่างนี้มันคืออย่างนี้ถ้าว่าโดยภาษาศาสตร์เอาภาษาอินเดียเป็นหลักประธนุกรมในประเทศอินเดียนั้น คำว่าธรรมะธรรมะนั้นแปลว่าหน้าที่คำว่าธรรมะไม่ได้แปลว่าคาสั่งสอนของใครธรรมะแปลว่าหน้าที่แต่แล่คำสั่งสอนต่างๆก็คือคำสั่งสอนให้ทําหน้าที่นั่นเองมันก็มาเป็นอันเดียวกันในตอนนี้ที่นี้ถ้าจะศึกษากันในแง่ของที่มาหรือประวัติศาสตร์ของคำคานี้มันเชื่อได้ว่าเมื่อมนุษย์ เป็นมนุษย์จากจากความเป็นคนป่านะมาเป็นคนที่ตั้งหลักแหล่งขึ้นมาแล้วนี่ให้มนุษย์เหล่านั้นยุคชุดแรกยุคแรกนะั้นได้สังเกตเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งสําคัญมากคือสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นเองมนุษย์เริ่มสํานึกขึ้นมาได้ว่าโอ้มันมีสิ่งที่ต้องทําไม่ทําไม่ได้แล้วมันก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันออกปากหลุดปากออกมาว่าธรรมะธรรมะธรรมะ คือหน้าที่หน้าที่หน้าที่บอกเพื่อนฝูงให้รู้จักในสิ่งที่เป็นหน้าที่โดยชื่อเรียกว่าธรรมะธรรมะธรรมะก็คือหน้าที่หรือคำสั่งสอนที่เกี่ยวกับหน้าที่นันโดยปริยัติก็คือความรู้เรื่องหน้าที่โดยปฏิบัติก็คือการปฏิบัติหน้าที่โดยปฏิเวทก็คือได้รับผลของการทำหน้าที่ทีนี้มันจะมีเรื่องอะไรบ้างหน้าที่ในชั้นสูงจะมีอะไรบ้าง ก็ตามประกวดกันขึ้นมามีครูบาอาจารย์แต่ละสำนักสำนักแสดงหน้าที่ชั้นสูงคือหน้าที่ที่จะกำจัดกิเลสนะกำจัดทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์นั่นแหะก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นเป็นพวกพวกเป็นนิกายในกายไปล้วนแต่สอนธรรมะคือหน้าที่ที่ปฏิบัติแล้วจะดับกิเลสและดับทุกข์มันจึงมีหน้าที่ฝ่ายโลกต้นหน้าที่ฝ่ายโลกุตระ หน้าที่ที่จะทำมาหากินรับบำบัดโรคภัยไข้เจ็บบริหารกายให้อยู่เป็นสุขได้อย่างไรนี่ก็คือธรรมะที่เป็นโลกิยะที่นี้จะทําหน้าที่ทางจิตทางวิญญาณให้สูงขึ้นไปจนหมดกิเลสบรรลุมรรคผลในภานนี้ก็เป็นหน้าที่ส่วนที่เป็นโลกุตระหน้าที่เลยมีเป็นสองซีกขึ้นมาดังนี้แล้วก็เรียกว่าธรรมะโดยเสมอกัน คว่าธรรมะธรรมะที่เป็นชื่อของหน้าที่ได้รับการสั่งสอนกันเรื่อยมาจนมีเป็นลัทธิเป็นนิกายเป็นศาสนาจนกลายเป็นมองแต่ในวงแค่ว่าธรรมะคือคำสั่งสอนออในทางศาสนาโดยลืมไปว่าธรรมะตัวตั ว, ตวธรรมะคือตัวหน้าที่ความรู้เรื่องหน้าที่คือความรู้เรื่องธรรมะปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติหน้าที่ ได้รับผลจากการไปปฏิหน้าที่นะี่คือผลที่เราต้องการที่ตรงนี้คือความลับอืที่ท่านทั้งหลายจะไม่เคยนึกเคยฝันหรือไม่เคยรู้ว่าธรรมะคือหน้าที่จึงขอร้องเป็นข้อแรกคําแรกในเบื้องต้นนี้ว่าจงรู้จักกันเดี๋ยวนี้เถิดว่าไอ้ธรรมะนั่นคือหน้าที่หน้าที่หน้าที่หรือหน้าที่นี่คือตัวธรรมะ เรามีการทำหน้าที่กันอยู่แล้วโดยไม่รู้สึกว่านั่นคือการปฏิบัติธรรมะมนี่จริงหรือไม่จริงท่านทั้งหลายทุกคนทำหน้าที่ทุกอย่างตามหน้าที่ของตนของตนกันอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เคยสำนึกเลยว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะมันก็เลยไม่บูชาหน้าที่ไม่ชื่นใจในการทำหน้าที่ มันก็กลายเป็นทนทาหน้าที่มันก็ตกนรกทุกอิริยาบทสมน้ำหน้ามันถ้ามันรู้ว้ธรรมะ น, นั่นคือหน้าที่พอที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ก็คือปฏิบัติธรรมะมันก็พอใจพอใจพอใ จ, อ, ใจอิ่มอกอิ่มใจเมื่อทาหน้าที่มันก็เลยเป็นสวรรค์อยู่ทุกิริยาบทโดยการเปลี่ยนความรู้สึกในจิตใจเสนนิดหนึ่งเท่านั้นหล ถ้าไม่รู้ว่านหน้าที่คือธรรมะมันก็เห็นว่าหน้าที่เป็นของเหน็ดเหนื่อยต้องจําใจทําไม่ทําไม่ได้เพราะมันอดไม่มีอะไรจะกินอย่างนี้มันก็เป็นการทรมานโดยหน้าที่ก็เลยได้นรกไปอที่นี่แต่เดียวนี้ทุกอิรยาบทตัวอย๋ยวนี่มารู้ความจริงว่าหน้าที่นั้นคือธรรมะหน้าที่นั่นคือธรรมะคือพระธรรมนั่นแหละที่มันจะช่วยเราได้นั่นแหละ แล้วก็พอใจยินดีปรีดาปราโมทในการทำหน้าที่หน้าที่มันก็ไม่เบียดเบียนให้เกิดความทุกข์หน้าที่กับส่งเสริมให้เกิดความพอใจเย็นอกเย็นใจปรีดาปราโมทเป็นความสุขเลยมีความสุขตลอดเวลาที่ทําหน้าที่นี่คือสวรรค์ทุกิริยาบทตรงกันข้ามกันอยู่กับนรกทุกิริยาบท ผู้ที่ต้องจำใจทำหน้าที่ของตนอยู่ด้วยความจำเป็นจำใจเหมือนที่กระทำกันอยู่โดยมากซึ่งไม่จำเป็นแล้วไม่กระทำพอจำเป็นต้องกระทำก็ทนทรมานเป็นทุกข์นั่นมันเอานารกไปไหว้ทุกกิริยาบทแลกเปลี่ยนกันเถอะ <c oughs> ให้มีความรู้สึกที่ถูกต้องว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่พอได้ทำหน้าที่แล้วก็พอใจ จะขออาวางหลักสำคัญสำคัญว่าที่ไหนมีการทาหน้าที่ที่นั่นมีธรรมะที่ไหนมีการทาหน้าที่ที่นั่นมีธรรมะต่อให้ในโบสถ์เต็มไปด้วยอะไรในโบสถ์นั่นและแล้วไม่มีการทาหน้าที่นะมีแต่สันเสียมซีพิธีอุวงสวงอ่อนวอนในโบสถ์นั้นไม่มีธรรมะ <c oughs> สักนิดเดียวหนึ่ง ในโบทนั้นไม่มีธรรมะสักนิดเดียวธรรมะไปอยู่ที่กลางนาที่ชาวนาคนหนึ่งรู้จักหน้าที่ไถนาอยู่ในความพอใจความสุขใจไถนาอยู่โคลงในในนานะกลับมีธรรมะ <c oughs> ในโบ์กลับไม่มีธรรมะเพราะไม่มีการทำหน้าที่หรือถ้ามีการทำหน้าที่ก็ไม่รู้สึ ก, กว่าหน้าที่คือธรรมะก็มาทนทำอะไรครับอกกับใจอยู่กลางโบทนั่นเองมันก็เลยไม่มีธรรมะ นั่นอย่าไปเอาสถานที่เป็นหลักเอาธรรมะเป็นหลักโอของจริงเป็นหลักว่าที่ไหนมีการทำหน้าที่ที่นั่นมีธรรมะทีนี้มันหน้าหัวที่ว่าเรามันก็ทำหน้าที่หน้าที่กันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะแต่มันไม่รู้จักความจริงของ้อนี้ไอหน้าที่มันเลยกลายเป็นนรกคือบีบบังคับความรู้สึกให้รู้สึกเป็นการต้องทนต้องอดกลั้นละต้องทน ไม่ได้ชื่นออกชื่นใจในการทาหน้าที่เดี๋ยวนี้มารู้กันเสียใหม่รู้ความรับข้อนี้ว่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละคือปฏิบัติธรรมะมันก็เลยเป็นการปฏิบัติธรรมะไปไอสิ่งที่เคยทำอยู่จะเป็นการทำไรทำนาค่าขายาทิบสามลอกแล้วเรือจ้างอะไรก็ตามมันจะกลายเป็นธรรมะไปถ้ารู้สึกว่าหน้าที่คือธรรมะ แล้วก็พอใจอย่างยิ่งที่ทำหน้าที่นั้นเมื่อพอใจมันก็เป็นสุขมันก็เป็นสุขในการขุดดินทำสวนทามาค้าขายทำราชการทำกรรมกรทำขอทานมันเลยมีความพอใจและมีความสุขเมื่อได้ทำหน้าที่นี่เรียกว่าหลักเกณฑ์ที่เราจะทำให้มันมีสวรรค์อยู่ทุกอิริยาบถคือมีแต่ความพอใจชื่นใจในตัวเองอยู่ทุกอิริยาบถเลย จะขอชี้ไปตั้งใจว่าตื่นนอนขึ้นมาอา้าวตามธรรมดามก็ล้างหน้าถ้าทำความรู้สึกเป็นธรรมานุสติว่าไอหน้าที่ล้างหน้านั่นนะคือการปฏิบัติธรรมะเป็นธรรมานุสติขึ้นมาแล้วก็พอใจมันก็ล้างหน้าเป็นสุขล้างหน้าได้อย่างดีที่สุดแล้วก็พอใจพอใจ เป็นสวรรค์เมื่อล้างหน้าเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันไม่ได้ล้างหน้าด้วยความรู้สึกอย่างนั้นนี่มันล้างหน้าด้วยความไม่รู้สึกอยากจะล้างหรือสัาไปจิตใจไม่อยู่กับตัวล้างหน้าเหมือนกับล้างก้นนั่นมันก็ไม่ไม่ได้ได้ผลเรื่องที่ว่ามันจะเป็นธรรมะอยู่ที่นั่นนั่นขอว่าพอตื่นนอนขึ้นมาหน้าที่แรกจะล้างหน้าหน้าที่การล้างหน้าเนะี่ยคือหน้าที่บริหารร่างกายบริหารชีวิต เป็นธรรมะอยู่แล้วก็พอใจในการกระทาชื่นอกชื่นใจในการกระทาถ้าพอใจแล้วมันก็ชื่นใจและแล้วก็ต้องเป็นความสุขแหละขอให้มีความพอใจแต่ความพอใจนะั่นแหละตัวสำคัญเรียกว่าปีติแล้วปีติอย่างนี้ก็เรียกธรรมะปีติปีติในธรรมะปีติโดยความเป็นธรรมะแม่ในการลัางหน้านั่นมันก็เลยเป็นสุขตลอดเวลาที่ลัางหน้า เป็นการปฏิบัติธรรมะตลอดเวลาที่ล้างหน้ามันจะเสียเวลาอะไรนักเล่าที่จะมาคิดนึกอย่างนี้กันบ้างนีือหรือให้ใจลอยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ล้างหน้าอย่างใจลอยใจิตใจไปอยู่ที่เรื่องโมโหโทโซอะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นนะมันเป็นนรกกตะทุกอิริยาบททาให้พอใจในในความถูกต้องแลยพอใจโอ้ถูกต้องแล้วไอ้ล้างหน้านี่ถูกต้องแล้ว เป็นหน้าที่ตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติเป็นธรรมะก็พอใจพอพอใจแล้วไม่ต้องกลัวจะเป็นความสุขเสมอความสุขทุกช น, นิดจะเกิดมาจากความพอใจไม่ได้เกิดมาจากสิ่งอื่นพอใจมากก็สุขมากพอใจน้อยก็สุขน้อยพอใจกันแล้วกันมันก็เป็นสุขถ้าพอใจอันถานก็สุขอันพานความพอใจของพวกอันพานก็เป็นความสุขของพวกอันพาน นั่นเราไม่ต้องการไม่ต้องปรารถนาเอาความพอใจที่เป็นของวินยูชนที่มีธรรมะเป็นหลักอา้าวล่างหน้าแล้วทำอะไรดีไปทายจาระข้าวห้องน้ำข้าวห้องน้ำใครรู้สึกอยู่ในใจว่าเมื่อท่ายจาระนั่นคือการปฏิบัติธรรมดูไม่มีใครนึกว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรม เมื่อถายภาษาวะก็เหมือนกันแหะมันเป็นการปฏิบัติธรรมคือบริหารร่างกายในชีวิตอย่างถูกต้องนี่ก็เป็นเป็นธรรมะอยู่ในตัวการถ่ายอุจาระถ่ายภาษาวะนี่ก็มีธรรมานุสติในขณะอย่งการถ่ายจาระภาษาวะมันก็พอใจมันก็ชื่นใจมันก็เป็นสุขอยู่ในการถ่ายอุจาระถ่ายภาษาวะนั่นเองไม่ได้ ทำอย่างลวกลวกกิตใจอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้ดีที่สุดจนทำผิดผิดถูกถูกจนเกิดลูคภัยภัยเจ็บเพราะการถ่ายจาระภัสาวะท่านจงถือว่าเมื่อมีการทำหน้าที่ที่ไหนและเป็นการปฏิบัติธรรมะที่นั่นแม่เรื่องการถ่ายจาระถ่ายภัสาวะเอา้าที่นี้สมมติว่าจะอาบน้ำก็ข อ, ข อ, ขอให้พอใจยินดีเข้าไปในห้องนะ ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมะจับขันมาตักน้ําอาพระจะเปิดก๊อกน้ําให้สู้ลงมาก็มีธรรมานุสติว่าเป็นกา ร, ราทําหน้าที่ที่ถูกต้องตามธรรมชาติทำธรรมะแล้วก็เป็นสุขอาบน้ํารดอยู่แม้แต่ว่าถูขี้ไครก็เป็นธรรมะอยู่ในการถูขี้ไครพอใจเละเป็นสุขอยู่ในการถูขี้ไคร ถ้าจะต้องทําอะไรอีกบ้างในเวลานั้นก็พอใจทั้งนั้นแล้วมันก็เป็นสุขไปทุกิยาบทในห้องน้ํานั่นเองอ้าวทีนี้จะมาแต่งตัวออกมาจากห้องน้ําจะมาแต่งตัวหยิบผ้ามานุ่มมาหอมมาใส่มาสอดอะไรก็ตามทุกิยาบทนึกถึงว่าโอ้หน้าที่ถูกต้องคือธรรมะทําด้วยความพอใจเป็นสุขตลอดเวลาที่สวมเสื้อผ้าเนี่ยสวรรค์ทุกิยาบทเป็นอย่างนี้ ทีนี้จะไปไหนอ่ะจะไปกินอาหารในห้องอาหารจะเดินไปในห้องอาหารก็พอใจว่าเป็นการทําหน้าที่เพราะต้องกินอาหารพอจะหยิบจานหยิบช้อนหยิบอาหารอะไรก็ทุกกิริยาบทที่เคลื่อนไหวนั่นเองรู้สึกว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เป็นธรรมานุสติในการหยิบจานอาหารมาในการตักอาหารในการ กินอาหารในการเคี่ยวอาหารในการกระทาทุกอย่างจนกว่าจะกินอาหารเสร็จเป็นธรรมะหมดมันก็พอใจโอ้มถูกต้องแล้วมันถูกต้องแล้ ว, ลวขบเจ้าอยู่ในสภาพที่ถูกต้องแล้วแล้วก็พอใจพอใจพอใจมันก็เป็นสุขมันก็เป็นสวรรค์อยู่ตลอดเวลาที่กินอาหาร <c oughs> แม้แต่เวลาเจรลญ่างจานก็มีความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วการล่างจานนี่ถูกต้องแล้ว จะเช็ดจานจะถูพื้นจะปัดขวาอะไรก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วพอใจพอใจนี่มันเป็นสวรรค์อยู่ทุกอิริยาบถอย่างนี้แต่ที่แรกมามันไม่เป็นสวรรค์มันเป็นนรกนะเพราะทนทํโดยความอึดอัดใจนะไม่มีใครอยากทำนะมันจะกินข้าวนี่นประจิตใจลอยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กำลังปวดหัวนี่กำลังเป็นโรคกระสารคกวนกินข้าว เพราะว่ามันไม่สามารถจะทําให้ชีวิตนี่เป็นธรรมะปลอดภัยจากรูปภัยไข้เจ็บโดยประการทั้งปวง <c oughs> ที่นี้เรื่องที่บ้านเสร็จแล้วจะไปทํางานอชาวนาจะไปไถนาข้าราชการจะไปทําราชการกรรมกรจะไปทำํำกรรมกรขอทานจะไปขอทานก็ถูกต้องแล้วก้าวย่างไปทุกก้าวย่างพอใจพอใจ เราจะขึ้นรถนั่งรถไปกับทุกขณะทุกจังหวะพอใจพอใจพอไปถึงที่ทำงานสมรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะก็เป็นสุขแล้ว อยากจะแน่ไปถึงว่าไอ้ห้องทำงานนั้นก็ควรจะได้รับการบูชาด้วยเครื่องมือในการทำารยทำนานั่นแหละควรจะได้รับการบูชาด้วยเอาสมมติว่าชาวนาเอาวัวเอาไถจูงไปถึงนาแล้วก็วางลงแล้วก็พนมมือให้แกควายสักครั้งหนึ่งพนมมือให้แกไถ ท, ที่ไถนาน่ยสักครั้งหนึ่ง ว่ามันเป็นอุปกรณ์แห่งการปฏิบัติธรรมะคือหน้าที่หรือว่าข้าราชการมาถึงห้องทํางานจะเข้าไปในห้องทํางานควรประนมมือให้ห้องทํางานนั่ น, นเสียสักปีหนึ่งจะเข้าไปปฏิบัติธรรมะในห้องที่จะต้องทําการงานแล้วก็ทําการงานอยู่ด้วยความรู้สึกอย่างนี้คนค้าขายก็เหมือนกันแหละอะไรเป็นอุปกรณ์แห่งการงานก็ให้ความเคารพอย่างยิ่ง กรรมกรก็เหมือนกันให้ความเคารพในอุปกรณ์ในการทํางานหรือว่าเคารพการงานบูชาการงานไม่ไปอิจนาระอาใจเรื่องนายทุนเอาเปรียบเรื่องปวยกล้า <laughs> <laughs> เพราะามันทํากันอย่างไม่ซื่อการงานมันไม่มีผลผลน้อยจึงเกิดปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาถ้าเป็นกรรมกรถีบสามล้อลก็พอพอใจมีสวรรค์อยู่ในขณะที่ถีบสามล้อลพอใจปฏิบัติธรรม แจวเรือจ้างก็ได้กวาดถนนก็ได้ล่างท่อถนนอะไรก็ได้ที่เขาถือกันว่าเป็นงานตาม่มงานเลวที่พวกรับปริญญาแล้วทำไม่ได้นั่นแหละขอให้มันถือว่าเป็นหน้าที่และเป็นธรรมะและสมัครใจจะทำแล้วก็ไม่มีใครตกงานเดีย๋ยวไม่มีปริญญาตรีตกงานเป็นแสนแสนหลังนี้เนี่ยขอให้มีความพอใจในขณะที่ทำหน้าที่ แล้วก็เป็นสุขแล้วก็เป็นสวรรค์ทุกทุ ก, ทกอิริยาบทนี่คือของขวัญจะมอบให้วันนี้มีนิดเดียวเลยคือความรู้นิดเดียวว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะแล้วไปมีสติสัมปชัญญรระทาหน้าที่ให้เป็นธรรมานุสติระ ล, ลึกถึงความถูกต้องแล้วก็พอใจก่อนแล้วก็ทาหน้าที่ไปพลางอิ่มอกอิ่มใจเป็นสวรรค์ไปตลอดเวลา ถ้าเงือออกมากลายเป็นน้ำมนต์ที่เยือกเย็นจะมองดูกันอีกทิศทางหนึ่งก็ได้ว่าธรรมะนั่นแหละคือหน้าที่แล้วหน้าที่นั่นคือพระเป็นเจ้าที่จะช่วยเราให้นั่งบูชาอ้อนวอนพระเป็นเจ้าแต่เจ้าจนค่ำม่ร้องไม่ทำหน้าที่ไม่มีพระเจ้าไหนช่วยเรา พอทำหน้าที่ของตัวยายบกพร่องพระเป็นเจ้าทุกชนิดทุกกันนาจะมารุมกันช่วยเพระพระเป็นเจ้าผู้จะช่วยก็คือหน้าที่นั่นเองการกระทําที่ถูกต้องเป็นคุสนธรรมนั่นเองนี่เรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเห็นไหมจริงไหมมีธรรมะเป็นที่พึ่งจริงไหมเป็นของจริงหรือเป็นของขาดกันเอต มันเป็นของจริงยิ่งกว่าจริงที่ว่าการปฏิบัติหน้าที่แล้วเป็นธรรมะแล้วมันช่วยนี่มันช่วยเต็มตามสัสดส่วนแล้วก็มีความพอใจแล้วก็มีความสุขเรียกว่ามีสวรรค์อยู่ทุกทุกทกิยาบทที่ถ้าว่าเราจะมีสิ่งพิเศษมีค่าสูงสุดเป็นคู่ของชีวิตแล้ว ก็คอยเอาธรรมะนั่นแหละเป็นคู่ชีวิตผัวก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตเมียก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตแล้วมันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นคู่ชีวิตถ้าไม่มีธรรมะผิดจากนี่แล้วมันก็จะเป็นคู่ที่กัดกันหือฮือฮือแห่แห่กันอยู่แทบจะทุกวันเนี่ยมันจะเป็นสยอย่างนั้นมันคู่ชีวิตนี่นคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ ทุกคนอย่าบกพร่องในหน้าที่ของตนทั้งพ่อทั้งเมีย ท, ทั้งลูกทั้งหลานทั้งเลสอะไรก็ตามมันก็จะเป็นเรื่องสงบสุขสันติสุขสันติภาพไปหมดในครอบครัวนั่นในหมู่บ้านนั้นในบ้านเมืองนั่นนี่ธรรมะคือหน้าที่มีความรับอยู่อย่างนี้เคารพหน้าที่ในฐานะเป็นธรรมะหรือเป็นพระเจ้าไปเลยเคารพหน้าที่เป็นธรรมะ เป็นพระเจ้าผู้ช่วยไปเลยอย่าลืมว่าทั้งในหน้าที่กียบริหารชีวิตให้รอดหรือหน้าที่ในการกาจัดกิเลสให้หมดไปนี่เป็นหน้าที่เหมือนกันทุกอิริยาบถมันมีการทำหน้าที่แม้แต่ว่ามันจะต้องลุกขึ้นจากที่ตรงนี้ไปไปที่ตรงนั้นมันก็ต้องมองเห็นเป็นหน้าที่แที่ถูกต้องแล้วเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ อินทรบเดินมันมันจะต้องเดินก็พอใจในการเดินมันถูกแล้วมันทำหน้าที่มันต้องทำหน้าที่นั่งนอนอะไรก็ตามมีสติสัมปชัญญะขนาดนี้เถแล้วจะมีธรรมะซึ่งเป็นพระเจ้ามาช่วยเต็มไปหมดทุกเวลาทุกวินาทีทุกกระเบียดนิ้วไม่รู้จะวัดอะไรดีก็ใช้คำว่าทุกเวลาทุกเวลาวินาทีทุกเวลาวินาทีมีพระเจ้าช่วยเป็นสุขมีสวรรค์ ทุกกะเบียดนิ้วของพื้นที่่จะมีพระเจ้าช่วยเป็นสุขทุกเรียกอีกอย่างอีกอ ย, อย่างว่าทุกอิทธิยาบททุกอิทธิยาบทเป็นสวรรค์ไปหมดมีพระเจ้าคอยอช่วยให้มีความพอใจมีความเย็นใจมีความสุขทุกอิทธิยาบทไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินเห็นไหม ที่มันทำอยู่แล้วนั่นแหละงานที่ทำอยู่แล้วไม่ต้องใช้เงินเพิ่มเติมอะไรอีกแต่คอยมีธรรมานุสติสติสัมปชัญญะเพิ่มเข้ามาในขณะที่ทำมันก็จะให้ความสุขอยู่ตลอดเวลาที่ทำเมื่อจิตใจมันอิ่มอยู่ด้วยความสุขอันแท้จริงอย่างนี้แล้วมันจะไปคิดหาสถานเรองรมเรองอาบอบนวดอะไรที่ไหนกันอีกเล่ามันก็มีความสุข อยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์มันก็ไม่อาจจะมีความทุกข์เพราะมมันมีความสุขอิ่มเ อ, อิบอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะไปหาความเพลิดเพลินที่หลอกลวงทาไมเล่านี่คนมันไม่รู้เรื่องนี้มันทนใจอดทนทำงานเหมือนกับจกนรกตลอดเวลาที่ทำงานพอะได้เงินมาก็ไม่ได้พอใจอยู่ที่วอ่อธิการงานเอาไป สถานเรืองรมอาบอบนวดการมารมจนเงินไม่พอใช้อีกมันตกนรกตลอดเวลานะเมื่อทำการงานอยู่มันก็ตกนรกใดยการจนจาใจทำทำแล้วมันก็เงินไปซื้อหาความเพลิดเพลินที่หลอกลวงการเงินมันมีปัญหาหนักกว่าอีกมันก็ตกนรกชั้นลึกกว่าอีกตกนรกทางสุขภาพตกนรกทางเศรษฐกิจตกนรกทางสังคมตกนรกไปหมด นี่มันไม่มีสวรรค์เลยไม่เป็นสวรรค์เลยขอให้เข้าใจอันนี้ให้ชัดอย่างที่แรกก็อย่าเพื่อเชื่อจะมาพูดโดยหลักการลามาสูตรอย่าเพื่อเชื่อเอาไปคิดดูก่อนให้เห็นจริงเห็นจริงเห็นจริงแล้วมันก็เชื่อพอที่จะลองทำดูพอลองทำดูมันก็ทำได้จริงแต่ ขอรับว่าสารภาพว่าในชั้นแรกอ่ะมันคงจะทํายากเหมือนกันสําหรับคนที่ไม่เคยทํามาเลยแล้วมันจะรู้สึกว่าโอ้ยประดักประเดิดอะไรอย่างนี้เว้ยอะไรก็ต้องนึกถึงธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเป็นธรรมานุสติไปเรื่อยไปแม้แต่จะถ่ายจาระจะถ่ายภาษาแม้แต่จะล้างจานแม้แต่จะกวาดบ้านนี่มันต้องทําธรรมานุสติไปเสียเรื่อยๆ มันเห็นเป็นเรื่องประดับประเดิดเกินไปแล้วก็ไม่อยากจะทำไม่อยากจะลองนั่นขยันดูรเหตุผลว่ามันเป็นไปได้แล้วพยายามหัดกะทีละนิดความเคยชินมันก็จะเกิดขึ้นเกิด ข, ข, ขึ้นเองจนเต็มที่เลยสามารถจะรู้สึกเป็นธรรมานุสติมีสติสัมปชัญญะทุกวินาทีทุกกระเบียดนิว้วทุกอิรยาบทที่ทางานนี่คือสวรรค์ทุกอิรยาบทขอมอบพ่าเป็นของขวัญที่สอง ในวันนี้ให้ทุกคนได้ของขวัญชนิดที่เอาไปทําให้ชีวิตนี้มีสวรรค์อยู่ทุกอินญาบทข้อปฏิบัติก็คือว่าอยา่ยามิอยา่าอย่าขาดสติอย่าเพลอสติมีสติสมบูรณ์ในข้อที่ว่าเป็นธรร ม, มานุสติทําให้เป็นธรร ม, มานุสติเป็นธรรมะเป็นหน้าที่เป็นพระเจ้าที่เราได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะช่วยตลอดวั น, นทำอย่างนี้จนกว่าจะถึงเวลาเข้านอนก็ควรจะคิดบัญชีดูสักทีหนึ่งเผื่อมันมีความบกพร่องเหลือเป็นนรกแทรกเข้ามาก็จะได้เข็ดลาบทีนี้พอจะนอนออกมาคิดดูโอ้มันมีจะทุกถูกต้องทุกเรื่องถูกต้องทุกเรื่องถูกต้องละพอใจทุกเรื่อง พอใจตัวเองขอบใจตัวเองก็ยกมือไหว้ตัวเองขอแถมอีกสักข้อหนึ่งที่จะเคารพพระพุทธประธรรมพระสงฆ์นั่นก็ตามใจจะขอแถมก็ไปอันที่สี่ว่ายกมือไหว้ตัวเองได้ทุกเวลาที่จะนอนก่อนที่จะนอนคิดบัญชีสอบสวนดูตั้งแต่เช้าตื่นนอนขึ้นมามีแต่ความถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจ วันนี้จะนอนแล้วยกมือไหว้ตัวเองนั่นคือสวรรค์สรุปประจําวันสวรรค์สุดท้ายเป็นประจําวันแล้วก็นอนหลับดีไม่ฝันร้ายเป็นสวรรค์ตลอดเวลาหลับจนกว่าจะตื่นขึ้นมาอีกจะทําให้เป็นสวรรค์ไปทุกอยาบุอย่างนี้เราจะมาคิดว่านี้คือความถูกต้องของพุทธบริษัท <c oughs> พุทธบริษัทมีความหมายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้รู้เรื่องของจริง ตื่นคือตื่นจากโง่ตื่นจากหลับคือกินเละเข้าใจถูกต้องแล้วก็พอใจเป็นสุขเบิกบานอยู่เสมอมีสวรรค์อยู่ทุกอิริยาบถดังที่กล่าวแล้วใครจะฟังไปในดูเป็นเรื่องประดักประเดิดบ้าน้ําลายก็ได้ก็เชิญแต่มาขอยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องบ้าน้ําลายไม่ใช่เรื่องประดักประเดิดเตืนขอบเขตมันอยู่ในวิสัยที่จะทําได้ นั่นขอให้ยอมรับเอาอกรรมฐานคือธรรมานุสติธรรมฐากรรมฐานที่ชื่อว่าธรรมานุสติเรี่ยนมาใช้ยอยู่กับเนื้อกับตัวให้ตลอดเวลาแล้วมันจะเป็นพุท ธ, ธานุสติสังขานุสติอะไรสติหมดทั้งหมดมาได้ไดเลยโดยการทําสติในความถูกต้องถูกต้อง ธรรมะคือความถูกต้องสําหรับจะดับทุกข์เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำธรรมะคือหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสติสัมปชัญญะอย่างนี้เครั้งแรกมันก็คงจะเผลอร์ละลวมบ้างแต่ถ้าว่ากวดขันเข้ามากวดขันเข้ามาให้มันได้ให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่เท่าไรแล้วคงไม่กี่วันกี่เดือนเลยนกะแต่มันจะทําได้ คือเป็นผู้มีธรรมานุสติอยู่ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะทำอะไร <c oughs> ทีนี้ก็จะพูดไปถึงว่าถ้าเจ็บข่ายขึ้นมาเจ็บข่ายขึ้นมาจะเป็นสวรรค์ได้อย่างไรใครคิดออกว่ามีความเจ็บข่ายอยู่นี่จะเป็นสวรรค์ได้อย่างไร มันถูกต้องแล้วมันดีแล้วมันมาให้ศึกษาโว้ยมันมาช่วยให้ไปนิพพานได้เร็วโว้ยก็พอใจ ย, ยินดีในการเจ็บไายแล้วจะเจ็บไข้ดีที่สุดใช้ค <c ười> ำอย่างนี้ฟังถูกไหมจะเจ็บจะคายให้ดีที่สุดคือด้วยสติสัมปชัญญะเป็นธรรมานุสติแม่ในการเจ็บไายถ้ามันจะต้องตายมันมีนิมิตแห่งความตายส่อมาแล้วโอ้ก็ดีแน้วว้ย เป็นการศึกษาอันสุดท้ายเราจะดับสนิทไม่เวียนว่ายตายเกิดกันเสียทีเราได้พักผ่อนก่อนคนอื่นแล้วคนอื่นทนทําไปเถอะไอเราที่จะตั้งกายแตกดับนี่จะได้หยุดจะได้พักผ่อนแล้วก็พอใจก็ตายอย่างกล้าหาญตายอย่างมีสวรรค์หรือมีนิพพานติดติดกันไปเลยก็ได้ตายอย่างมีสวรรค์ที่แท้จริงที่นี่แต่เดียวนี้ เน <c oughs> ี่ยขอให้มองดูให้ดีว่ามันมีความลับอะไรอยู่นิดเดียวที่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์ทรมานตลอดชีวิตก็คือเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเราไม่พอใจธรรมะไม่บูชาธรรมะไม่สงวนรักษาปฏิบัติธรรมะให้อยู่กันเนื้อกันตัว เดี๋ยวนี้ไม่ได้เพิ่มอะไรให้เป็นเรื่องราวใหม่หรือไม่ไ ม, ไม่ต้องใช้เงินเลยเขาบอกว่าถ้าต้องใช้เงินแล้วไม่ถูกแล้วถ้าต้องใช้เงินเพิ่มเพื่อซื้ออันนี้แล้วไม่ถูกแล้วอันนี้ไม่ต้องใช้เงินเพิ่มซื้อหาอะไรสมกับคําที่พระพุทธเจ้าสัตว์ว่าไอ้นิพพานนิพพานนีห่ห้เปล่าไม่ต้องเสียสตางเมื่อเวลาพระไปเจริญพุทธมนต์เย็นที่บ้านนะขอให้ตั้งใจฟังให้ดี ทุกคนนะไปฟังพระเจริญพุทธมนต์เย็นที่บ้านจะมันจะมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ว่าลัทธามูทานิพุติงคุณชมานานั่ประโยคนี้ไงคือบอกนิพานเป็นของให้เปล่าแก่ผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องไม่ไม่คิดสตางนิพานมนให้เปล่าไม่คิดสตางนี่ก็อยู่ในรูปนั้นแหละอยู่ในรูปที่มีสติสมัชัญญะทําอะไรอะไรมันเป็นธรรมานุสติให้หมดเลย แล้วมันจะได้นิพพานมาบริโภคอยู่เก่าเก่านิพพานน้อยๆยไปก่อนจนกว่าจะเป็นนิพพานมากและสมบูรณ์นี่เป็นนิพพานน้อยๆนิพพานตัวอย่างที่เรียกว่าทางคณิพพานหรือสามายิกานิพพานไปก่อนแล้วมันก็จะค่อยมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นนิพพานที่สมบูรณ์เป็นอนุปาหิเสสนิพพานธาตุได้ นี่ขอช่วยเข้าใจตรงนี้ดีๆนะธรรมาไม่ได้เพิ่มภาระอะไรให้นะสิ่งที่ทําอยู่แล้วเท่าที่ทําอยู่แล้วนั่นแหละคอยรู้จักมันเท่านั้นแหละว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ถ้ามีธรรมะปีติอยู่ตลอดเวลาที่ทําหน้าที่มันก็มีความสุขเป็นสวรรค์อยู่อทุกๆอิริยาบถ ที่มันจะเห็นได้ชัดในทางโลกก็คือจะทำงานสนุกทำงานสนุกเหมือนกับเล่นกีฬาไองานบางอย่างเนี่ยมันก็สนุกนะแต่เดี๋ยวนี้เราจะทำให้มันสนุกไปซะทุกอย่างแนะไม่ว่าจะว่างานหนักงานเบาอะไร <c oughs> จะได้มีความสุขตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องไปสถานเริงรมคามารมจะมีความสุขอยู่ที่การงานที่ทำอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี่มีสวรรค์ทุกอธิยาบท แล้วมันก็จะพัฒนาได้ยิ่งกว่าแผ่นดินทำรรแผ่นดินทองซึ่งยังเป็นเพียงใ <c> น <oughs> ความหวังทำอย่างนี้จะได้เถอะแผ่นดินทำรรแผ่นดินทองจะมาเองทำหน้าที่จนเป็นที่พอใจอยู่ทุกิยบทและทำเป็นอย่างนี้ทุกคนแผ่นดินทำรรแผ่นดินทองจะเกิดพื้นขึ้นมาเองมาอย่างนั้นแล้วคอยดูว่าเป็นเรื่องเขน็นครกขึ้นปูเขาจะปูใสกระดง้งจะไม่มีที่สุดอยู่นั่นแหละ เนี่ยเบอกกล่าวแก่พวกที่จะพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองให้รู้ไปด้วยเพราะจงรู้จักธรรมะที่แท้จริงก็าธรรมะนั่นคือหน้าที่พอทําหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะก็เป็นแผ่นดินธรรมะขึ้นมาก็ง่ายนิดเดียวที่จะกลายเป็นแผ่นดินทองคือมีเส้าวัลย์อยู่ทุกๆ ก, กอิริยาบถยวนี้มันถึงสมัยแล้วถึงสมัยแล้วที่จะรู้จักธรรมะให้ดีกว่าที่แรกมา ที่แรกมารู้จักธรรมะน้อยเกินไปจนช่วยอะไรไม่ได้จนจะเป็นโรคภาษากันเต็มบ้านเต็มเมืองในหมู่พุทธบริษัทนั่นเอง <c oughs> มีธรรมะแล้วมันก็จะป้องกันไอ้สิ่งเหล่านี้ได้มันจะอยู่ในความถูกต้องเสมอไปทางรอดของประเทศชาติก็คืออันนี้คือประชาชนคนละเรือนคนละเมืองทุกคนรู้จักธรรมะ มีหน้าที่เป็นธรรมะมีธรรมะเป็นหน้าที่เป็นสุขอยู่ทุกขยาบททำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยม่แต่ความพอใจอิ่มอกอิ่มใจอยู่ทุกรียาบททั้งวันทั้งคืนเป็นอะไรความลับที่สุดเป็นเคล็ดที่สุดที่ทำให้การงานกลายเป็นความสุขเชื้อทำให้การงานกลายเป็นเครื่องมือทำให้เกิดความสุขเช ที่อยู่ๆกันนี่ไม่ไม่อยากทางานนี่เบื่อทํางานหลบหลบการทํางานเอาเปรียบการทำการงานกันทั้งนั้นเพราะมันไม่มองเห็นการงานเป็นความถูกต้องหรือเป็นธรรมะถ้าเข้าใจข้อนี้ข้อเดียวธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะแล้วพอใจทําการงานนั่นแหละจะกลายเป็นความสุขเสียเองไม่ต้องกําจัดนบายามุขมันไม่ไปเองแหละไม่ต้องไปมือตั้งโครงการกําจัดนวายามุข คอยเกิดผลเป็นทํางานให้เป็นสุขมีความสุขในการงานเถอะก็ไม่มีใครไปหาอบายมุกเนอะเพราะมันเป็นสุขอย่างถูกต้องแลยเพียงพออยู่แล้วอในการทําหน้าที่ประจําวันอที่นี่ก็จะพูดเป็นแง่สุดท้ายว่าที่แล้วมามันหางด้วนมันรู้จักแต่ทําการงานด้วยความทนทุกข์หางมันด้วน มันไม่รู้จักเสริมความคิดออกไปว่าไอาการงานคือธรรมะแล้วก็พอใจแล้วก็ทำงานสนุกทางานสนุกไม่มีความทุกข์เลยตลอดวันตลอดคืนเนี่ยหางไม่ด้วนเดี๋ยวนี้ยังเป็นหมาหางด้วนรู้แต่ทำการงานสำหรับเป็นทุกข์ความรู้มันด้วนถ้าความรู้มันสมบูรณ์มันจะรู้จักทำให้เป็นสุขในการงานนั่นเอง อย่าเพิ่อไปตัดสินเรียว่าเหลือวิสัยทำไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดว่ามันเหลือวิสัยทำไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่จะทำได้คือทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตจำไว้เป็นใจความสาคัญว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ของใครหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตชนิดไหน ทุกชน like ิดเลยมีชีวิตอย่างมนุษย์ก็ต้องทําหน้าที่มีชีวิตอย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องทําหน้าที่เป็นธรรมชาตของสัตว์เดรัจฉานมีชีวิตอย่างต้นไม้ต้นไา้ก็ต้องทําหน้าที่อย่างต้นไม้ต้นไม้ที่มันทําดูมันจะทําแก่งกว่าคนจริงเต้นไม้ต้นไม้เนี่ยสารวมสํารวมสงบเยือกเย็นทั้งวันทั้งคืนทําหน้าที่ของมันตลอดทั้งวันทั้งคืนเคยมีคน อ่นหังือให้ฟังว่าต้นไม้นี่คายแก๊สออกซิเจนตลอดทั้งวันคายแก๊สคาร์ บ, บอนไดออกไซด์ตลอดทั้งคืนแล้วถ้าไมันมันไม่ทํางานทั้งวันทั้งคืนแล้วมันจะเอามาแต่ไหนคายล่ะอถ้ามันคายได้ทั้งคืนมันก็ไม่ยความมันก็ทํางานตลอดคืน้ตลอดวันไงถ้าถือว่าต้นไม้เป็นครูบ้างก็น่าจะดีจะให้ละอายแก่ตน้นไม้ ไม่ทำงานให้สนุกเหมือนมดปลวกเปิดดูวางทีบางรังปลวกมแมลงพึ่งนี่ทำงานอย่างสนุกสนานไม่มีความทุกข์ทำงานอย่างสนุกสนานดียนี้คนมันไม่มีอย่างนั้นนี่มันอิดเอื้อนนี่มันคอยจะบิดปลิ้วนี่มันทำงานเพราะความจำเป็นมันก็เป็นนรกตลอดทุกอิรยาบทนี่คอยจำคำคู่นี่ว่าจะเอานรกทุกอิรยาบทหรือว่าจะเอาสวรรค์ทุกอิรยาบทนีใหรเลือกเอาเอง ไม่ใช่คาพูดที่ประดักประเดิดให้มันมากเรื่องไม่ใช่คาพูดเล่นลิ้นเล่นโวหารอะไรเป็นความจริงของธรรมชาตินี่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้สำคัญอยู่ที่จิตใจตัวเดียวทั้งหมดกี่เรื่องกีราวกี่อย่างมันขึ้นอยู่ที่จิตใจสิ่งเดียวถ้าปรับปรุงจิตใจนั่นได้แล้วมันก็จะปรับปรุงได้หมด เรื่องชีวิตอัตภาพร่างกายความสุขความทุกข์อะไรก็ตามาปรับชีวิตให้ถูกต้องแล้วมันจะเป็นความสุขหรือเป็นที่น่าพอใจไปหมดแม้แต่ความเจ็บความค่ายความแก่ความตายไม่มีอะไรที่ต้องเป็นทุกข์ยึดถือเอาแต่ความโง่เป็นของกูแล้วก็เป็นทุกข์ไปตามไความรู้สึกของคนธรรมดาจางแฉกเจ็บตาย พระอริยเจ้าทั้งหลายก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่นั่นแหละแต่ทำไมไม่มีความทุกข์เล่ามันอยู่เนื้อปัญหาที่จะต้องเป็นทุกข์มันไม่ได้ยึดถืออะไรว่าเป็นของตนหรือว่าทํามคนมาก็เรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้เรายังเป็นพระหันไม่ได้ก็รู้โดยวิธีของเราก่อนสิว่ามันเป็นสิ่งที่มาสอนให้เราฉลาด ความเจ็บไายมาเรามามาสอนเราฉลาดในการรักษาป้องกันความเจ็บคไข้ความแก่ก็เหมือนกันมันจะมาสอนเรารู้จักต่อสู้กับความแก่ความตายมันมาสอนเรารู้จักความจริงอันสุดท้ายของธรรมชาติหรือของชีวิตควรจะตอนรับว่าถูกแล้วพอใจถูกแล้วเราได้พักผ่อนคนอื่นแล้วยังจะต้องทนทำกันต่อไป เรื่องนิดเดียวแต่พูดเก <c oughs> ือบชอั่วโมงหรือตั้งชงั่วโมงเรื่องนิดเดียวเรื่องนิดเดียวสวรรทุกอิริยาบททุกอิริยาบททุกกระบิดนิว้วทุกวินาทีของผู้ที่รู้จักว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะ พอเกิดหน้าที่ก็พอใจที่จะได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็มีความพอใจพอใจก็เป็นสุขนั่นไม่ต้องสงสัยเนี่สวรรค์ทุกิญาบทที่เขาด่าธรรมาด่ากันมากมายว่ายกเลิกสวรรค์ยกเลิกนรกมันพูดข้างเดียวนี่เราไม่เคยยกเลิกนี่เพียงแต่เราขอร้องว่าไอ้สวรรค์แบบของคุณนรกแบบของคุณเก็บไว้ที่ก่อนมา ส, สนใจสวรรค์แบบนี้กันก่อนเถิด มาสนใจนรกสวรรค์แบบที่นี่แล้เดียวนี้กันก่อนเธอเขาก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ฟังทักโกรธทักแหลงหาความว่ามาเป็นมิจฉาทิฏฐิยกเลิกเรื่องนรกสวรรค์ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นใครเห็นใจในข้อนี้ก็ช่วยไปอธิบายให้เขาฟังให้เข้าใจจะด้วยเว่าไม่ได้ยกเลิกสวรรค์ไม่ได้ยกเลิกนรกไม่ได้ยกเลิก เ, ลกเรื่องโลกหน้าเรื่องโลกอื่นไม่ได้ยกเลิก แต่ต้องการให้ทําให้ตรงพระพุทธประสงค์โดยเรา ว, ว่าอยู่ที่นี่แต่เดียวนี่ไม่มีความทุกข์เลยซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มันรู้สึกเนื่อยขึ้นมาแล้ว <c oughs> แล้วเรื่องมันก็จะจบพอดีแหละว่าของขวัญชิ้นที่สองนี่คือสวรรค์ทุกอิธิยาบท <c oughs> ขอให้มีความรู้เรื่องนี้ไปอย่างเต็มที่ แล้วขอได้ปฏิบัติเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่แล้วขอได้รับผลจากเรื่องนี้กันให้เต็มที่มีสวรรค์ก็เป็นที่พอใจยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ทุกทุกที่พาราตีการเทิน <c oughs> ข อ, อยุดี่คํำปราสาทงวดที่สอง